ตอนที่66กได้กําไรเล็กน้อยเอ๊ะยี่หนูคนนี้อย่ามาพูดจะเข้ที่นี่นะสมุนไพรบ้านเราไม่มีปัญหาแน่นอนพวกเราเป็นเพื่อนเก่าที่ร่วมค้าขายกันมาสิบกว่าปีแล้วเจ้าจะไปรู้อะไรชายหนุ่มที่มาส่งสมุนไพรมองหลีหวานด้วยความรังเกียจเห็นชัดว่านางตั้งใจมาปวนเขาไม่ลืมที่จะหันไปบอกเท่าแก่ว่าหลายปีที่เราร่วมมือกันมามีคนไม่น้อยที่จ้องจะทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเราสองบ้านผมว่ายิ่หนูคนนี้อาจจะเป็นคนที่พวกนั้นส่งมาก็ได้เท่าแกนิงท่านอย่าไปเชื่อเด็กขาด เท่าแก น, นิงขมวดคิ้วสิ่งที่หลีวหวานพูดเมื่อครูนั้นไม่ผิดสมุนไพรพวกนี้มันดูแปลกๆจริงๆแผ่นตังกุยมีความยืดหยุ่นสูงหักยากส่วนตูหัวนั้นหักง่ายมากหลีวหวานบอกความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างเท่าแก่นหนิงจึงลองหักดูแกรกมันหักขมือทันทีนี่นี่มันแค่พิสูจน์ว่าแผ่นตังกุยที่เราส่งมาตากแห้มาอย่างดีเลยหักได้ง่ายๆเท่านั้นเองรสชาติของตังกุยจะขมแต่ตูหัวจะมีกลิ่นหอมสดชื่นหลิวหวานชี้จุดต่างอีกครั้ง เท่าแกนิงลองชิมรสชาติดูด้วยความสงสัยไม่ขมนี่คือตูหัวไม่ใช่ตังกุยอีกฝ่ายเป็นร้านเก่าแก่ที่ร่วมค้าขายกันมาสิบกว่าปีความผิดพลาดระดับต่ำเช่นนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นอกจากจะจงใจเมื่อตระหนักได้เช่นนั้นสีหน้าของเท่าแกนิงก็ดูแย่ลงทันทีสมุนไพรวางไว้ที่นี่ก่อนข้าต้องตรวจสอบอีกครั้งเท่าแก่นิงท่านหมายความว่ายังไงผมรับรองว่าสมุนไพรที่ส่งมาไม่มีปัญหาท่านยอมเชื่ อ, อยนูคนหนึ่งมากกว่าจะเชื่อพวกเรางั้นหรือ แวตาของชายคนนั้นวูบไหวเมื่อเห็นเท่าแก่นหนิงสงสัยเขาก็ตัดสินใจตัดบททันทีก็ได้ผมว่าระหว่างเราก็ไม่จําเป็นต้องร่วมมือกันอีกต่อไปก็ทางใครทางมันผู้จบชายคนนั้นก็เตรียมจะขนสมุนไพรทั้งหมดกลับไปแต่หลีวันเอ๋อปากควางไว้เสียก่อนร่วมค้าขายกันมาสิบกว่าปีนึกจะเลิกก็เลิกนั้นหรือหรือว่าเจ้าไม่อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลีววันถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหรือว่าที่จะรีบเอากลับไปเพราะตั้งใจจะทําลายหลักฐานทิ้งเป็นการส่วนตัวกันแน่ เมื่อได้ยินเช่นนั้นเท่าแก่ น, นิงก็ขมวดคิ้วแน่นขึ้นอีกหลีหวันพูดมีเหตุผลตังกุยพวกนี้ต้องเก็บไว้อย่าเพิ่งรีบเลยรอให้ข้าตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่เท่าแก่ น, นิงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังการให้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้มาทำลายความร่วมมือระหว่างเราสองบ้านมันไม่คุ้มค่าเลยจริงๆไม่จำเป็นชายคนนั้นยังคงยืนกรานจะเอากลับไปยิ่งทำเช่นนี้ก็ยิ่งสอพิรุษเท่าแก่ น, นิงจึงสั่งให้ลูกจ้างในร้านแย่งมันมาทันที มีปัญหาอะไรค่าจะติดต่อเท่าแก่ของพวกเจ้าเองเจ้ากลับไปได้แล้วชายคนนั้นถึงตาใส่หลีหวันอย่างไม่ยอมลดละราวกับจะจดจําใบหน้าของนางไว้ในเมื่อเรื่องมาถึงขัน้นนี้เขาก็ทําได้เพียงกลับไปต้องรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาแม่หนูไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรขนาดนี้นิงชังเหอหมองหลีหวันด้วยสายตาชื่นชมพรางยกยิ้มมุมปากดีมากเด็กวไวอย่างเจ้าที่รู้จักสมุนไพรได้หลายชนิดขนาดนี้หาได้ยากจริงๆ หลิหววันเห็นท่าทีของเขาอ่อนลงกว่าเมื่อครู่จึงถือโอกาสเสนอเรื่องสมุนไพรอีกครั้งเท่าแก่ที่นี่ไม่รับซื้อสมุนไพราจากคนทั่วไปจริงๆหรือคะอันที่จริงคุณภาพของสมุนไพราสามารถตรวจสอบได้ทันทีการทำแบบนี้อาจทำให้ท่านพลาสมุนไพรดีๆไปได้นะคะขนาดร้านเก่าแก่ที่ร่วมค้าขายกันมาหลายปีเขายังส่งของปอมมาให้ท่านเลยไม่ใช่หรือพูดมาถึงตรงนี้หลิหววันก็หยุดเว้นจังหวะข้ามีความจริงใจมากนะคะ นิ้งชังเหอเริ่มสนใจแม่หนูคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆอายุยังน้อยแต่ฝีปากกล้าไม่เบาก็ได้เจ้มีสมุนไพเรอะไรอยู่ในมือละ่ะเอาออกมาให้ข้าดูหน่อยสิมิ้งชังเหอเห็นนางพกย่ามผ้าใบเล็กๆติดตัวมาด้วยคิดว่าข้างในคงไม่มีของล้ำค่าอะไรแต่ในเมื่อแม่หนูคนนี้ยืนกรานักเขาก็จะถือว่าซื้อไว้ทําบุญก็แล้วกันหลหวันมองไปรอบๆ อ, อย่างระแวดระวังก่อนจะเ อ, อ่ยว่าข้าให้ท่านดูได้แต่เราต้องเปลี่ยนสถานที่กันหน่อยที่นี่ไม่ปลอดภัยได้งั้นจะตามข้าไปที่หลังร้าน นิงช้างเหอหันหลังเดินนำไปพลางคิดในใจว่าถือเสียว่าตามใจเด็กก็แล้วกันที่หลังร้านตังกุยห้าสช่างที่เพิ่งขนมาถูกแผ่ไว้บนพื้นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตูหัวนิงช้างเหอกว่าสายตามองคร่าวๆและขมวดคิ้วแน่นส่วนต่างราคาระหว่างตังกุยห้าสช่างกับตูหัวห้าสิช่างนั้นอย่างน้อยก็เกือบร้อยหยวนมีปัญหาแค่สมุนไพรชนิดนี้หรือว่าสมุนไพรชนิดอื่นในร้านก็มีปัญหาด้วยหนิงช้างเหอรู้สึกว่าจําเป็นต้องตรวจสอบสมุนไพรทั้งหมดในร้านใหม่อีกรอบ หลีหวันเดินตามหนิงชังเหอเข้าไปในห้องแล้วหยิบสมุนไพรในห่อผ้าออกมาทันทีข้าขอดูใหญ่ขนาดนี้เลยหรือหนิงชังเหอยังพูดไม่ทันจบเขาก็เห็นลีวันหยิบสมที่มีขนาดเท่าแขนเด็กออกมารากฝอยแต่ละเส้นยาวมากค่ะคนไม่รู้คงคิดว่าเป็นรากผักป่าชนิดหนึ่งแต่เขามองปราดเดียวก็รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่สมธรรมดาแต่มันคือสมร้อยปีที่หาได้ยากยิ่งเจ้าเจ้าใส่ห่อผ้าถือมาแบบนี้เลยหรือน้ำเสียงของหนิงชังเหอสั่นเครือสวรรค์เหลือเชื่อจริงๆ ต้องรู้ก่อนว่าแม้สมจะเป็นของดีแต่สมอายุไม่กี่สิปีกับสมร้อปีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสมร้อปีนั้นหาไม่ได้ง่ายๆเลยสมคุณภาพดีขนาดนี้สามารถใช้เป็นสมบัติล้ำค่าประจําร้านได้เลยทีเดียวนิงช้างเฮอระมัดระวังจนไม่กล้าแต่ต้องเพราะกลัวว่าจะทํารากฝอยหักแม้เพียงเส้นเดียวซึ่งจะทําให้สมต้นนี้ไม่สมบูรณ์แบบอืมแม้หีบห่อจะดูธรรมดาแต่ของข้างในนั้นไม่ธรรมดาเลยหรีวันนพยักษหน้าเล็กน้อย เท่าแก่ไม่ต้องให้ข้าพูดท่านก็คงรู้ว่านี่คืออะไรใช่ไหมคะลองเสนอราคามาสิข้าคือว่าสมองของหนิงชังเหอเริ่มประมวลผลไม่ทันความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือครอบครัวของเด็กคนนี้กําลังลําบากหรือเปล่าไม่อย่างนั้นจะเอาโสมที่มีลักษณะดีขนาดนี้ออกมาขายได้อย่างไรที่สําคัญที่ยังปล่อยให้เด็กเอาออกมาเองอีกถ้าเจอพวกต้มตุ๋นจะทําอย่างไรหนิงชังเฮอลอบกลืนน้าลายโดยไม่รู้ตัวข้ายัางไม่รู้เลยว่าเจ้าชื่ออะไรหลี่หวานข้าหลีหวานตอบเสียงเรียบ เสี้ยววันเจ้าเอาของสิ่งนี้ออกมาขายคนที่บ้านเจ้ารู้เรื่องไหมข้าไม่กล้าตกลงซื้อขายกับเจ้าหลอกให้ผู้ใหญ่ที่บ้านมาคุยกับข้าจะดีกว่านิงช้างเหอะกล่าวอย่างจริงจังของชิ้นนี้เป็นของล้ําข้าจะขายให้ใครสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้เข้าใจไหมเท่าแก่คนที่บ้านข้ารู้เรื่องแล้วท่านเสนอราคามาได้เลยหลี่วันเห็นว่าเขาเป็นคนซื้อตรงคนหนึ่งข้าให้ราคาไม่ได้หลอกนิงช้างเหอพูดตามตรงและกลัวว่าแม่หนูคนนี้จะไม่เข้าใจจึงเสริมว่า ถ้ากลัวว่าจะให้ราคาต่ำเกินไปจนทำให้เจ้าเสียเปรียบของสิ่งนี้มันประเมินค่าไม่ได้เหมาะแก่การเก็บสะสมมากกว่านี่คือสมุนไพร1้อยปีมีไว้ให้คนกินนะคะจะเก็บสะสมไปเพื่ออะไรหรือว่าซื้อมาวางไว้เฉยๆแล้วจะช่วยชีวิตคนได้หรือหวานยิ้มท่านเสนอราคามาเถอะค่ะก็ได้งง้นเจ้ารอค่าอยู่ที่นี่สักครู่ค่าจะไปหยิบของบางอย่างมาให้ดู ผู้จบหนิงช้างเหอก็เดินจากไปและกลับมาอย่างรวดเร็วในมือถือกล่องสี่เหลี่ยมใบใหญ่พิเศษใบหนึ่งเมื่อเปิดออกข้างในก็เป็นโสมเช่นกันเพียงแต่มีอายุปีน้อยกว่าเล็กน้อย